ขยายความเพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไปวันนี้ก็จะพูดเรื่องบารมี3ามสิบทัศข้อที่สาม ข้อที่หนึ่งข้อที่สอ ง, สองก็พูดไปแล้ววันนี้จะพูดถึงข้อที่สามทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีวันนี้จะพูดคำว่าเนคขมะ์บา ร, รมี เนคคมะนี่เป็นภาษาธรรมแปลเป็นภาษาไทยก็คือต้องออกเอาจิตออกจากกามเอาจิตออกจากพยาบาทเอาจิตออกจากการเบียดเบียนตนเองและก็ผู้อื่นเนี่เขาเรียกว่าเนคคัมะ พระพุทธองค์ก็ทรงตัดกับปิสุวา่าดูก่อนปิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละทมดำเสียแล้วเจรเญธรรมขาวทมดำได้แก่หะไรหนึ่งกามวิตกสองพยาบาทวิตกสามไม่หิงสาวิตกวิตกคือตรึกนึก เนี่ยทำดำแล้วพระองค์ก็ทรงตัดบอกว่าให้เจริญทำขาวทำขาวคืออะไรคือเนคขมมะนะวิตุกอภยาบาศวิตุกอวิหิงสาวิตุกอันนี้คือทำขาว เราทำดำก่อนกา ร, รมวิตกหมายถึงกา ร, รมคุณห้าได้เกี่ยรูปรสกลิน่นเสียงสัมผัสธรรมารมบางท่านบางคนจิตตกไปสู่กา ร, รมคุณห้าเวลาเราจเจริญสติเนี่ยไม่ค่อยจเจริญนนะสติ กามมะคุนห้ามันจะเรินแทนนั่งพุโทโธพุโทโธไปได้สักพักนะึงจิตมันตกไปสู่กามวิตกแวบคนนี้มันเพลินแล้ว น, นะเกิดนันทิความเพลินนะ นึกถึงเรื่องกรมคุณห้าเนี่ยมันเพลินแวบเดียวครื่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแทนที่จะนึกถึงพุทธโธไม่ล่ะเพราะจิตเขาไม่คุ้นชินจิตเขาไม่คุ้นเคยจิตเขาชอบฟุ้งตบไปสู่กรมคุณห้าจิตเขาไม่ชอบสงบเนี่ย มันบังคับได้ยากรู้ได้ยากรักษาได้ยากหมายถึงจิตใจนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้รักษาไม่ได้รู้ได้รักษาได้ต้องอาศัยสตินี่ปกครองใจสตินี่ สติเป็นนายใจเป็นบ่าวโดยสมมุติถ้ามันตกไปสู่การมวิตตกล้วก็ดึงกลับมาไม่คิดด้วยคิดถึงพุโทโธท่านั้นล้วต้องเอาชนะให้ได้เป็นข้อข้ อ, ขอไป ไปสู่พยาบาทวิตกตรึกนึกคนที่เคยโกรธเกลียดเครีย ด, คยดแค้นอาฆาตแล้วก็ดึงจิตกลับมาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธถ้ามันตรึกนึกเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน เราก็ดึงกลับมาอยู่กับพุทธโธใช้คำว่าดึงก็แล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆดึงความรู้สึกดึงจิตดึงใจเนะี่ยใช้สตินี่ดึงมัดไว้สติมัดมัดคอลิง k i n เอีกด้านหนึ่งก็มัดกับต้นไม้ ลิงก็อุปมาอุปไ ม, ปมยเหมือนกับใจเนี่ยมันดิ้นอยู่เสมอลิงก็เหมือนกันถ้ามันไม่หลับมันก็ดิ้นโดดไปนู่นโดดไปนี่อยู่เงี้ยแล้วเมื่อไรมันโดดไปจนหมดแรงเนี่ยมันก็หลับไปโดยธรรมชาติของลิงหมดแรงใจก็เหมือนกันมันคิดนู่นคิดนี่คิด จะปะสะเปดแต่เราเอาอยู่คุมอยู่มันก็สงบได้เหมือนกันคือเรารู้ตามรู้ตามรู้ตามดูตามรักษาใช้คำว่าตามมันก็ต้องได้สักวันหนึ่งอ่ะมันไม่วันนี้ก็วันหน้า ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรนะที่จะประกอบสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจเป็นที่อยู่ของจิตให้มันอยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ก็พยายาม ควาพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ใกล้เข้ามาอยู่ที่นั่นแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่พยายามดิหมดสิทธิ์เลยชาตินี้เกิดมาเสียเปล่าตายเปล่าเขาเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษไม่ใช่เขาว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษเลยไม่ได้อะไรไปเลยหีืว่าไม่ได้สมบัติอะไรเลย ชินสมบัติก็ไม่ได้สมาธิสมบัติก็ไม่ได้นิพพานสมบัติก็ไม่ได้ไม่ได้เลยชีวิตเราจะหาค่าหาราคาได้ตรงไหนละ่ะชีวิตนักบวชเราต้องมีค่ามีราคามีคุณค่า ดูพระพุทธเจ้าดูเหล่าพระอรหันต์ดูพระอภิยะสาวกรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นเลยแล้วแต่ระองค์ก็มีค่ามีราคาเวลาบรณะภาพนี่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องบอกคนจะไปเยอะสมไมก่อนหลวงพ่อมาอยู่กับหลวงพ่อดาบุต ฟังทำเกเกือบตุ้วันนะ่ะเกลี่ยออกตอนประมาณบ่ายสองออกมาเทศประกาเทศน้องเกลี่ยไปเใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังกันแล้วไปก็มีคนพูดต่อกันมันก็มากันเยอะถึงเวลาเกลี่เข้าห้องไม่รับแขกแล้วถึงเวลาออกมาแสดงทเนี้ก็มาแสดงคนใหญ่เกลจะเก็บ ภาวนาเห็นไหมพผามรณภาพคนมันรู้กันทั่วประเทศเลยมาโอ้โหวันเผาในพระนี่มันไม่รู้จะนั่งที่ไหนแทรกกันเนโยมกับเต็มภูเขาเลยขาวพลืด <c oughs> นี่เขาเรียกเผาให้หอม มีชื่อมีเสียงดีกว่าได้เกียดได้ลาบได้ยศอีกมีคนเขาศรัทธามีคนเขาเลื่อมใสปากต่อปากอย่างนี้เผาให้หอมแล้ ว, ลวก็เผาให้เห็นเผาต่ง น, นั้นแหละเผาให้เห็นเลย ไม่ได้มีเมนมีอะไร ส, สวยๆอย่างก็บางรูปบางองค์หรอกเอาไมา้ซ้อนๆซ้อนๆขึ้นมาเผาเหมือนโบราณน่ะแล้วก็เอาศพท่านวางมาแล้วก็จุดอะไรเผาเห็นเนอย่างนั้นไอ้แปลกแต่หัวใจท่านไม่ไหมเห็นไหมละ่ะอย่างอื่นไหมหมดแต่หัวใจท่านเขียวมายังยังไม่ไหมเลยเขาเรียกว่าใจท่านยังเด็ดจ คืนแรกผมว่าไม่มีใครผมเป็นครัวสกเองอะไรเองจัดการเองไม่มีใครมาเลยวันแรกคืนแรกรคืนต่อมาก็เจ้าหน้าออำเภอเมืองเขาก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขามาจัดการเผาให้หอมคนมาเยอะเผาให้เห็นเผากัดจั๊เจาะเผาให้หายสองสามชั่วโมงหายหมดเลย เป็นคิดเท่าหมดเลยเหลือแต่หัวใจดวงเดียวสันตพุทธจะเก็บไว้ยังไงเนะ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ไปยังไงก็ไม่มีใครสนใจพระดังๆหรือคนก็นแล้วแต่ถ้าพระพฤทดีปฏิบัติชอบก็ดังเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันดังยิ่งกว่พาพระก็มีท่านแม่วงกต สร้างวัดเป็นพันล้านหมื่นล้านที่กรุงสาวัตถีประเทศอินเดียนโอ้ผู้หญิงในโลกนี้ไม่มีใครสู้แกไม่ได้หรอกไปสร้างเมืองนอกเลยนะสร้างเมืองไทยไม่ได้คนอิจฉาเยอะเมืองไทยเนี่ยมันเปนยังไงไม่รู้นะใครเด่นใครดังใครดีไม่ได้ลนะอิจฉาหรืต่ยากันก็ คนไทยก็คือคนไทยมันก็อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ครั้งไหนๆมาแล้วตัวอิจฉานี่มันไม่เจริญนะอิจฉาเหมือนก็เอาอิจไปปาเพื่อนอิจฉาเพื่อนดีกว่าดังกว่าเด่นกว่าอะไรประมาณนี้หาเรื่องหาเราให้กัน แกก็ตัดสินใจไปอยู่อินเดียดีกว่าสบายมีแต่คนรักแกอินเดียก็แกให้สงบวัดก็สะอาดโอ้ในเมืองไทยไม่มีวัดไหนสะอาดทวัดแกลองไปดูเถอะต้นไมก้ ก, ก็โหปลูกจนเขียวหินที่นั่งก็เขียว เป็นเงินงนั้นเอาเหมาเครื่องบินไปเลยอะอต้นไม้จากเมืองไทยไปแขกมันจะแกล้งแกไม่ให้เอาเครื่องมาไม่ให้เอาดอกไอ้ไม่เอาไม่ให้ไม่ให้เอาต้นไม้ออกจากเครื่องบินเนี่ยเกือบเกือบสัปดาห์นึกสัปดาห์กว่านี่นะแหละเกต้องให้ลูกศิษย์ดูหาไปวิ่งเต้นเอาเงินยัดแขก แม่พวกนี้ร้ายจริงไอ้พวกแขกเนะ่โบราณว่าเจองูเจอแขกตีใครก่อนนี่คำโบราณก็ว่านะเบอกให้ตีแขกก่อนนะแทนที่จะตีงูก่อนนะต้องตีแขกก่อนพวกนี้มันร้ายมันเอาอย่างเดียวแต่ให้มันแล้วก็ไปได้ประเทศของมันนะ่ใครจะทําไม่มันนะ่ นี่แหละเขาเรียกว่าตัวเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเห็นไหมนะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแทนที่จะได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศอินเดียเองนะเจ้าหน้าที่มันทําลายเองเนียเบียดเบียนตนเองก็หมายถึงชอบเสพติดเนี่ย ชอบเอาฝินเฮโรอีนกัญชายามา้ายาบ้ายากระยันเล่าบุหรี่พวกนี้ชอบอาใัยตัวเองนดีย๋ยวเขาเรียกเบียดเบียนตนเองไม่มีใครก็เบียดเบียนแล้วเบียดเบียนตัวเราเองเอาสิ่งไม่ดีเข้าไปในในตัวเราในร่างกายเราในที่สุดก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายไปบางท่านบางคนรักษาไม่ทัน โดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยถ้าไม่ตรวจไม่เช็คทุกปีนะโอ้เป็นระยะที่สี่เนี่ยโอ้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์รักษานะมันเป็นเนื้อที่มันงอกออกมาจากเนื้ออื่นๆเท่านั้นมันเขาเรียกมันเนเนื้อร้ายอ่ะแล้ว่าเนื้อเรานี่แหละแต่มันมันมันมันเกินมันเป็นส่วนเกินน่ เกิดในตับในไตในไส้ในพุงในปอดในสมองเนี่ยตายหมดร้อยคนจะรอดสักห้าคนหรือเปล่ามนุยนยาก็รักษาลำบากเ น, นี่ยพระองค์ก็ทรงบอกเห็นแล ทำดําดคือทําดําก็หมายถึงทำที่มันทําไปแล้วมันผิดศีลผิดธรรมคิดไปแล้วมันผิดศีลผิดธรรมเช่นกามาคุณห้าเนี่ยแล้วก็พยาบาทอาฆาตจองผ่านจองไายคนอื่นเขาจองทําลายเขาหาเรื่องหาเลสนแกล้งเขา แล้วก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยแหะเขาเรียกว่ากรรมดำส่วนกรรมขาวก็ไม่อะตรงกันข้ามเลยเราไม่ไปมีกรามมาคุณหาในจิตแล้วเพราะเรานั่งฝึกจิตฝึกใจทุกวันกรรมอาฆาตปัจบาทก็ไม่มีกับใครถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดไม่รู้จะไปโกรธไปเกียดกันทาไม อยู่กันไปเดี๋ยวก็ตายจากกันไมเขากับเราก็จบเบียดเบียนตนเองก็เบีดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาทาไมตัวเราก็เดือดร้อนพออยู่แล้วแต่ทาให้คนอื่นก็เดือดร้อนอีกเหนไะคือคนมันคิดได้เ้าเรียกว่าคนมีปัญญาคนมีศีลคนมีธรรม มันคิดได้คิดเป็นคิดเย็นไม่ใช่คิดร้อนคิดแล้วมันเย็นเย็นใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขใจไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนใจคือมันมีความถูกต้องเป็นสมาธิเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสเชื่อเชื่อแล้วก็ลงมือทาด้วยนะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะ ผลมันก็ปรากฏดิเขาเรียกว่าบิบกกรรมก็คือเรามีความสุขเย็นสบายคนมีศีลมีธรรมไม่ต้องกลัวอยู่ที่ไหนก็มีถีสางเทวดาปกปกักรักษาคุ้มครองอยู่เสมอโบราณว่าตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมไปที่ไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน ยงยงส น, สนเสริญเจริญพรเห็นไหมละ่ะมันเป็นธรรมเป็นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรง ต, งตั้งไว้บรรยัติไว้ให้เราเดินตามทางศีลสมาธิปัญญานี่เนี่เดินไปตามทางเนี่ยเดินตรงตรงซ้ายแล้วก็ไม่ไปขวาแล้วก็ไม่ไป ซ้ายก็คือนรกขวาก็คือสวรรค์ตรองไปตรงกลางไปพันธิพาดับเย็นสบายฉะนั้นการปารลบธรรมะเรื่องเนคขมบา ร, รมีข้อที่สามก็เห็นว่าพอสมควรแก่วเวลาก็ขอสมุดยุติการกล่าวธรรมะ